ศีลระดับธรรมะอยู่ที่ตัวคนศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคมศีลตามความหมายกว้างๆอย่างที่ใช้เป็นคำไทยนั้นกล่าวได้คร่าวๆ ว, ว่ามีสองระดับ 1. ระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมะหรือระดับที่ยังเป็นธรรมะคือเป็นข้อแนะนําสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่แสดงในวงเล็บเทสิตะไอ้รู้เข้าใจผู้ที่ทำดีทำชั่วมีความประพฤติดีประพฤติชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีลย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น 2. ระดับเฉพาะ ได้แก่ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นไว้ในวงเล็บปัญญัตะเป็นทํานองประมวลกฎหมายสาหรับกากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้ละเมื่ดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมูซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอากุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปทั้งโดยกาลและเทสะ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจกและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปล ก, กันไปตามถิน่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทปัญญิเกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอาณาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นมิใช่ฐานะที่จะพึงกระทาเราไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดารงอยู่ด้วยดี และมีสภาพเกื้อกูลด้วยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปลีกย่อยอ ย, อย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสำหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนำสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีลห้าไว้เป็นข้อกำหนดอย่างต่ำหรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากนั้นขึ้นไปก็มีศีลในก ร, รมบท คือกุศ ล, ลกรรมบทเจข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมักได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้างกวางคำพิรุณอภิษฐรเรียกศีลชุดนี้ว่าอาชีวะธรรมกาศีลแปลว่าศีลมีอาชีวะเป็นที่แดหรือศีลที่ครบ8ดทั้งสัมมาชีพ คือสัมมาวาจาเท่ากับวจีสุจริตสีสัมมากัมมันตะเท่ากับกายสุจริตสามบวกสัมมาอาชีวาหนึ่งศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมะคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งเมื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดา ถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นสินเหล่านี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตนเพียงพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงสินห้าก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไข ให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อยห้าข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ธรรมะขั้นศีลห้าข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสิกขาบทหแปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติห้าอย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติยังต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีก เช่รักษาอุโบสถมีองค์8ดในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่งก็ได้เรียกตามบาลีว่าอัถถังกสัมมนาคตะอุโปสถาอุโบสถประกอบด้วยองค์8ดหรืออัถถังกิกอออ 8, ออาอุโปสถอุโบสถมีองค์8ดหรืออัถถาุโปสถังคะองค์อุโบสถ8เป็นที่มาของคําว่าศีลแปดซึ่งเป็นคําเรียกชั้นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก สิกขาบทนี่หละที่ทำให้ศีล ร, ระดับธรรมะกลายมาเป็นศีล ร, ระดับวินัยเพราะวินัยคือประมวลแห่งสิกขาบททั้งหลายนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้วางประมวลบทบัญญัติเป็นวินัยไว้สำหรับให้มวลมนุษย์ทั้งหมดต้องปฏิบัติเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรื่องของมนุษย์หมู่หนึ่งชุมชนหนึ่งหากเห็นงามจะพึงบัญญัติขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และความมุ่งหมายของพวกตนโดยอาจนำเอาข้อธรรมะ ต, ต่างๆในขั้นศีลซึ่งมีอยู่มากมายมาเลือกกำหนดเป็นวินัยบังคับใช้แก่พวกตนดังเช่นที่พระอัรฐกถาจารย์ถือเอาการเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเป็นอาคาริยาวินยัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านบ้างถือเอาหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาละกะสูตรเช่นการเว้นอคติสี่ การไม่เสพอบายามุกหกและความสัมพันธ์ตามหลักทิฏหเป็นต้นว่าเป็นขี้หิวินยัยคือวินัยของข้รือหัดซึ่งตรงกับอาคารียวินัยนั่นเองสิงค้าละกาสูตรหรือสิงค้าโลวาทสูตรมีมาในทีฆานิกายปาติกวักหลักที่ตรัสไว้ในสูตรนี้คือการลากกรรมมะกามกิเลสีการเว้นอคติสีการไม่เสพอบายามุกหกหลักทิฏห รวมถึงคําสอนเรื่องมิตรแท้มิเทียมการจัดสรรทรัพย์เพื่อใช้สอยและสังคะ ว, วัตถุสีคากล่าวของพระอัฏฐกถาจารนี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธได้เคยยึดถือกันอย่างนั้นก็ได้แม้ชาวพุทธในปัจจุบันก็น่าจะทำตามแบบอย่างนี้โดยคัดเลือกเอาธรรมะขั้นศีลทั้งในสูตรนี้และในที่อื่นๆเช่นอุบาสกธรรมห้าเป็นต้น มากำหนดเป็นวินัยของพวกตนถึงแม้ไม่อาจให้เป็นวินัยของชาวพุทธทั้งมวลจะกำหนดเฉพาะถิน่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมชนของพวกตนก็ยังดีความจริงศีลประเภทนี้มีในทุกยุคสมัยตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้เช่นกุลธรรมหลักความประพฤติประจําตระกูลเผ่าชนวันณนะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างที่ปัจจุบันเรียกจัร ญ, ญาบันหรือจัญยาธรรมของอาชีพหรือสถาบันอีกตัวอย่างเช่นเทสธรรมคือจัญยาธรรมของถิน่นท่านจัดเป็นศีลประเภทอาจาระคือความประพฤติดีมารยาทดีงามจัร ญ, ญานี้เป็นเรื่องของศีลสำหรับสังคมวงกว้างหรือสังคมค้าเรืหัด แต่สำหรับชุมชนที่เรียกว่าภิกษุสงฆ์หลักการต่างๆในเรื่องศีลสามารถวางให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่กล่าวมานั้นเพราะภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเองตามหลักการและความมุ่งหมายที่ทรงกําหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้มีสภาพเกื้อกูลที่สุดแก่การปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นนั้นให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติระเบียบข้อบังคับต่างๆขึ้นควบคุมความเป็นอยู่และความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสงฆ์นั้นเท่าที่จะให้บังเกิดผลตามหลักการแลววะวัตถุประสงค์บุคคลที่จะเป็นสมาชิกคือบวชเป็นพระภิกษุต่างก็เข้ามาโดยสมัครใจ จึงเป็นอันต้องถือว่าได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมดประมวลบทบัญญัติคือระเบียบข้อบังคับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวินัยของภิกษุทั้งหลายวินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ประกอบด้วยสิกขาบทต่างๆมากมายมีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัว ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคือพระภิกษุด้วยกันและความสัมพันธ์กับคนภายนอกเช่นกับข้าราชกาทั้งหลายตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆระเบียบว่าด้วยการปกครองและการดำเนินกิจการต่างๆของสงฆ์เป็นต้นแม้ภิกษุณีสงฆ์ที่ทรงตั้งขึ้นภายหลังก็ทรงบัญญศศัติสิกขาบทต่างๆขึ้นเป็นวินัยเช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่สมัครจะเข้าเป็นสมาชิกแต่ยังมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ครบถ้วนก็อาจรับเข้ามาเป็นสามเณรหรือสามเณรีก่อนโดยมีฐานะและสิทธิแห่งความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์และได้ทรงบัญญัติศิกขาบทไว้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติสิบข้อซึ่งรวมอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรียกว่าวินัยนั้น สิกขาบทสิบสำหรับสัมเนนและสัมมาเนรีนี้สมัยหลังๆนิยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านว่าศีลสิบในวินัยปิฎกท่านจำกัดความคำว่าสัมเนนและสัมเนรีอย่างง่ายๆว่าทัาศสิกขาปทิกะและทัาศสิกขาปทิกาตามลำดับแปลว่าผู้รักษาสิกขาบทสิบ ภาวะที่ดํารงอยู่ด้วยดีหรือประพฤติดีโดยไม่ละเมิดวินยัยคือไม่ละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินยัยนั่นแหละเรียกว่าศีลความสํานึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีลแยกออกได้เป็นสองด้านคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในคุณธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างหนึ่ง และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่นความสำนึกอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาวตนเองนั้นพอจะมองเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วส่วนที่ควรย้ำไว้หนที่นี้คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของ่วนรวมหรือของผู้อื่น เมื่อมีพระภิกษุกระทําการไม่ดีไม่งามขึ้นสมควรจะบัญญัติสิกขาบทพระพุทธเจ้าทรงประชุมสง์สอบสวนผู้กระทําการได้ความสมจริงแล้วจะทรงชี้โทษของการกระทํานั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของผู้เลื่อมใสยอยู่แล้วมีแต่จะทําให้เกิดความไม่เลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส และทําให้ผู้ที่เลื่อมสายอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทเสร็จแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆขึ้นไหวข้อความที่ทรงชี้โทษของการกระทํานั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อภาษาทะมีทั่วไปเกือบทุกสิกขาบทในวินัยปีดกเล่มที่หนึ่งถึงส ข้อความที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นนั้นแสดงความคํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและของผู้อื่นประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแรกก็คือความดมารงอยู่ด้วยดีของชุมชนที่เรียกว่าสงหรือจะว่าของพระศาสนาก็ได้เพราะความมั่นคงของสงและของพระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชน ประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสนั่นเองเพราะภะษาทะคือความเลื่อมใสความผองใสความแช่มชื่นแจ่มใสโปร่งสบายของจิตใจความสดใสฟูใจมั่นใจที่เราจิตให้มาพอใจสนใจใส่ใจในคนในเรื่องที่ดีงามเป็นคุณธรรมสาคัญอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งเกือ้อกูลแก่จิตใจเป็นปัจจัยแห่งความสุขช่วยให้เกิดสมาธิและเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้เกิดกาลังพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่พินิษฐ์พิจารณาเช่นเมื่อมีความผองใสก็จะเข้าอนญชาสมาบัติได้ในบัดนี้หรือไม่ก็น้อมดิ่งไปเพื่อปัญญาในมาชิมานิกายอุปริปันธา เมื่อระลึกถึงตถาคตจิตก็ผ่องใสเกิดปราโมทและละอุปกิเลส ข, ของจิตได้ในอังกุชลานิกาติกานิบาตเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานของจิตใจเป็นการทําประโยชน์ขั้นแรกแก่บุคคลเป็นจุดได้กำลังตั้งตัวที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้า จะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้งพระองค์ทรงค่อยๆสอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนผู้นั้นมีจิตที่คล่องสบายนุ่มนวลปลอดจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสคือมีประสาทะแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจส์่การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงามตั้งอยู่ในศีล จึงไม่ใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีแก่ตนจากความเลื่อมใสของชาวบ้านซึ่งจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่แต่ต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องสำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติเพื่อสงฆ์และเพื่อประชาชนยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาร์ตนเองแต่สำหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอระหันต์ซึ่งหมดกิจที่จะต้องฝึกตนในด้านศีลหรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินยัยก็มีแต่การกระทาเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียวเข้ากับคติที่เป็นหลักใหญ่แห่งการดาเนินชีวิตและการบำเพ็ญกิจของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเอื้ออนุเคราะห์โลก และคติแห่งการมีจิตเอื้อเอ็นดูแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชนหรืออย่างน้อยก็เพื่อเชื้อชูความดีงามไว้ในโลกเป็นการเคารพธรรมะเคารพวินัยนั่นเองด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในเหตุผลอย่างเคร่งครัดการอ้างว่าตนหมดกิเลสแล้ว ไม่จำเป็นต้องรักษาศิกาบทข้อนั้นข้อนี้หรือจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะจิตไม่ยินดียินร้ายดังนี้เป็นต้นย่อมมิชัยลักษณะของอริยชนความจริงมิใช่แต่ศีลเท่านั้นแม้ข้อวัดต่างๆมากมายในการถือทุดงข้อหนึ่งหนึ่งซึ่งมิใช่สิ่งจำเป็นแก่ตัวท่านและมิใช่ข้อบังคับในวินยัยพระอรหันต์บางท่าน ก็ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเพื่อเป็นทิฏธรรมสุขวิหารส่วนตนและหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงามเช่นปฏิปทาของพระมหากะสะปเทระเป็นตน้นจึงควรระลึกไว้ด้วยว่าในการพิจารณาเรื่องศิลปะปรามารไม่พึงลืมมองเหตุผลและความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและประโยชน์สุขของหมู่ชนด้วย การรักษาศีลข้อวัดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการบางอย่างซึ่งกระทำด้วยความเข้าใจมุ่งหมายเพื่อความเรียบร้อยดีงามเป็นแบบอย่างอันดีเป็นเครื่องประสานหมู่ชนและเชิ้ชูธรรมะหากทำเท่าที่จำเป็นพอสมแก่เหตุผลและความมุ่งหมายที่ดีงามนั้นมีใชจอํำพรางตนเองก็มีใจข้อที่พึงด่วนตีเตียน ศีลกับพรนแตกต่างกันตามในย่าคำพีมหานิเทศว่าศีลหมายถึงการสังวรยับยัง้งไม่ละเมิดพรนบาลีว่าวะตะัตตหมายถึงการสมาทานถือปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทุดวงทั้งหลายเป็นวะตะัตตหรือพรนเท่านั้นไม่เป็นศีล สำหรับคำนี้บาลีฉบับอักษรไทยสับสนอวะตะที่หมายถึงพระกับวัตต์ที่หมายถึงวัดปนเปกันข้อปฏิบัติที่เป็นวัตต์หรือพระแต่ไม่เป็นศีลอย่างทุดงนั้นเป็นข้อปฏิบัติส่วนพิเศษเพื่อความเคร่งครัดขัดเกลว์ฝึกอบรมตนเองให้ยิ่งกว่าปกติเน้นที่ความมากน้อยสันโดษ แต่เป็นเรื่องของความสมัครใจความเหมาะสมกับอุปนิสัยและขึ้นกับความพร้อมใครจะถือปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ไม่มีความผิดต่างจากศีลซึ่งสมาชิกทุกคนของหมู่พึงรักษาเสมอเหมือนกันถ้าไม่รักษาย่อมมีผลเสียหายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมถ้าเป็นศีลแบบวินยัยมีโทษตามบัญญัติอีกด้วย วัตตะหรือพรดบางอย่างแม้จะมองดูเคร่งครัดอย่างยิ่งแต่ผิดหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงห้ามและบางอย่างถือเป็นความผิดทางวินัยด้วยเช่นการถือพรดไม่พูดที่เรียกว่ามูคพรดคือถือการไม่พูดโดยคิดว่ายอมตัดปัญหาจากการพูดผิดเช่นพูดเท็จเป็นต้นได้หมดทรงตำหนิว่าเป็นการอยู่อย่างปสุสัต การถือพรตกินเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองจากต้นโดยคิดว่ายอมตัดปัญหาการเบียดเบียนสัตว์และพืชได้หมดเป็นข้อปฏิบัติทรมานตนเกินพอดีของพวกเดรรทีที่หลบลี้สังคมอันหนึง่งยังมีข้อปฏิบัติอีกพวกหนึ่งคู่กับศีลเป็นส่วนปลีกย่อยเรียกว่าวัดพูดเทียบสั้นๆว่า ศีลเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานวัดเป็นข้อปฏิบัติเสริมให้ดีงามเพ่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาศีลเช่นเพื่อตัดหรือลดโอกาสที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งการประพฤติในเรื่องศีลวัดข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการแบบแผนระบบระเบียบต่างๆที่ผิดพลาด ก็คือการถือโดยงมงายสักว่าทําตามๆกันมายัางไม่เข้าใจความมุ่งหมายไม่เห็นเหตุผลจนหลงไปว่าจะถึงความบริสุทธิ์จะบรรลุจุดหมายสุดท้ายเพียงด้วยศีลพรลด้วยระบบระเบียบพิธีเหล่านี้เป็นเหตุให้ศีลพรดข้อวัดระบบระเบียบพิธีการเหล่านั้นขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออกไปเป็นข้อปฏิบัตินอกแนวทางของพระพุทธศาสนา ดูความหมายของศิลป์ตาปรามาศในบทว่าด้วยประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานหรือรักษาบำเพ็ญระเบียบปฏิบตัติต่างๆโดยมีตัณหาทิฐิแอบแฝงอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขสวรรค์เป็นผลตอบแทนมุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบทบางความมุ่งหมายที่แท้จริงและปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงจุดหมายของการปฏิบททัติธรรม หรือรักษาศีลบำเพ็ญข้อวัดทำตามระเบียบแบบแผนพิธีอย่างอาสัตบุรุษคือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเองยกเอาคุณความดีเหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อยกตนข่มผู้อื่นเช่นเป็นพระหูสูตรเป็นวินัยทรเป็นธรรมะกระถึกถืออยู่ป่าถือผ้าบังสุกุลถือลุกขมูลถือชันมือเดียวหรือได้ฌานสมาบัติเป็นต้นแล้วภูมิใจตน คิดดูดถูกผู้อื่นว่าไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นท่านว่าเป็นอสศัตบุรุษมีศีลสัมปทานแล้วดีใจภูมิใจยกตนคมผู้อื่นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแม้คุณธรรมหรือความดีพิเศษอื่นๆก็ไม่พึงถือเป็นเหตุยกตนคมผู้อื่นเช่นเดียวกัน ผู้รักษาศีลประพฤติตามวินัยควรเข้าใจวัตถุประสงค์คือประโยชน์ที่มุ่งหมายของวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงถแถลงก่อนบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อซึ่งมีอยู่สิบประการในที่นี้จัดหมวดย่อยใส่ไว้เพียงเพื่อให้ดูง่ายคือหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่สง์หรือส่วนรวมข้อที่หนึ่ง เพื่อความดีงามที่เป็นไปด้วยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ 2. เพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์บวชว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคลนับเป็นข้อที่สามเพื่อกำราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอายข้อที่สี่เพื่อความอยู่พาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม หมดว่าด้วยประโยชน์แก่การเจริญธรรมพัฒนาชีวิตนับเป็นข้อที่หเพื่อปิดกั้นความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในปัจจุบันข้อที่6เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในเบื้องหน้าหมดว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชนนับเป็นข้อที่7 เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสข้อที่8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วบวชว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนานับเป็นข้อที่9เพื่อความํำรงมั่นแห่งศัทธธรรมข้อที่ส0บเพื่อสนับสนุนวินัยให้หนักแน่น ในอังคุตรณนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทโดยจัดเป็นคู่ๆรวมสิบคู่เอ็นควรยกมากล่าวไว้ที่นี้ด้วยหนึ่งคู่คือสองข้อต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเพื่อเอื้ออนุเคราะห์แกข่ขฤรหัสทั้งหลายข้อที่สองเพื่อตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วร้าย จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่เน้นความดีงามและประโยชน์สุขของสังคมเป็นอย่างมากและบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้นเรื่องที่ยืนยันถึงการให้ความสําคัญแก่ส่วนรวมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างอันได้แก่การดำเนินกิจการของสงฆ์โดยการร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสมาชิก แต่สังฆกรรมทั้งหลายจะเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะสง์มีความสามัคคีไม่แตกแยกข้อนี้จึงเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงย้ําความสําคัญของสังฆเพทและสังฆสามัคคีโดยตรัสว่าสังฆสามัคคีเป็นธรรมะเอกที่เมื่อเกิดมีในโลกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนส่วนสังฆเพท ก็เป็นธรรมะเอกฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องพูดถึงการดำเนินกิจการของส่วนรวมแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวันกุทธบัญญัติต่างๆก็ล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขและความดีงามของสงฆ์และสังคมทั้งสิน้นดังจะเห็นได้จากข้อปฏิบัติสามัญอย่างหนึ่งคือการแสดงความเคารพ